วันนี้เรียกว่าเป็นวันมหามงคลวันหนึ่งในบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดอุดรเราเรียกว่าทุกอำเภอทั้งพระทั้งคารวะในตั้งหน้าตั้งตามากราบคารวะครูอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือมีจำนวนมากวันนี้ มีท่านเจ้าคุณอุดมเนี่ อ, อุดมยานโมลีท่านมาเป็นล่มโพล่มไสอันดับต่อไปก็ท่านเจ้าคุณสมานปริยญนเก้าประโยคนั่งถับกันมานี้ส่วนสมรักษ์สั้นชื่ออะไรเราจำไม่ได้จาได้แต่มหาสมานเข้าใจไหมนี่โองนี่ท่านเป็นปริยญนเก้าประโยค <c oughs> นี่ก็ลูกศิษย์กรรมาฐานทั้งนั้นแหละแล้วหลังไปนี้ก็ท่านจะคุณอุดรครับ อ, องนี้ไม่ทราบตั้งแต่วันเกิดมาท่านเคยดุใครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราไม่ก็ไม่เคยเห็นท่านดุใครเลยตั้งแต่บวชมาพบกันทีไรมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสความดุของท่านรู้สึกไม่มีไม่มีอย่างอื่นที่เหลืออาจจะมีเราก็ไม่ทราบ แต่เรื่องดุนี่ไม่ไม่ใจดีมากสุภาพอ่อนโยนกียามารยาทนิ่มนวลมากคือท่านจุฬาอุดร น, นั่งอยู่ข้างหลังหลวงตาบัวนี่น ะ, ะวันนี้ท่านก็มาเป็นล่มโพลมไส่ลมใ ส, ม ใ, สให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งถูกต้องกันกับเราเป็นลูกชาวพุทธลูกชาวพุทธ มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นองค์ศาสดาอันเลิศเลอ <c oughs> หลังจากนั้นมาแล้วก็มีครูมีอาจารย์ตั ừ, ้งแต่ครั้งคุติกาลส่วนมากมักจะเป็นสังฆังสันนรษฐาฉามินั่นแหละ <c oughs> สอนธรรมด้วยความรู้จริ <c oughs> จรง <c oughs> เห็นจริง <c oughs> เป็นอรหัตตบุคคลมาสั่งสอนศาสต์โลกเลื่อยมา ก็ต่อทอดมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพวกเราทั้งหลายมาจนกระทั่งทุกวันนี้จ <c oughs> ึงมีครูมีอาจารย์มีพระเจ้าพระสงค์อยู่ทุกทิศทุกทางทั่วประเทศไทยในแดนแห่งซึ่งเป็นแดนแห่งชาวพุทธของเรานี่มาจากที่ต่างๆบรรดาพระเจ้าพระสงค์เหล่านี้มาก็มาจากบ้านนั้นบ้านนี้ ซึ่งเป็นบ้านที่ให้ความร่มเย็นกับประชาชนญาติโยมผู้นับถือพระพุทธศาสนา <c oughs> ท่านพาพี่น้องญาติโยมทั้งหลายมานี่ละเรื่องพระสงฆ์จึงเป็นเรื่องอย่างใหญ่โตในหมู่บ้านหนึ่งๆตลอดทั่วประเทศไทยไปที่ไหนจึงมีแต่วัดแต่วา เต็มสถานที่ทั่วไปในแดนแห่งเมืองไทยของเรา <c oughs> ก็เพราะถือพระเจ้าพระสงฆ์เป็นหลักใจเป็นความอบอุ่นเป็นที่ตายใจจึงต้องมีพระสงฆ์นำหน้านำหน้าเป็นขวัญตาขวัญใจในบ้านในเรือนหนึ่งๆทั่วไปหมด นี่ละเป็นเครื่องหมายแห่งชาวพุทธของเรา <c oughs> วันเช่นนี้ก็เชื้อเชิญหรือบอกลราบรรดาพี่น้องทั้งหลายตลอดพระเจ้าพระสงค์ก็มีพระอุวาจาร์ท่านประกาศให้ทราบว่าวันนี้จะพากันมาที่วัดป่าบรรกาศมานมัสการหลวงตาบัว พอได้ฟังอัดฟังธรรมก็จะถือโอกาสในเวลานั้นได้กราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ที่มาที่นี่โดยมีท่านเจ้าคุณอุดมอละย่อเอาเลยเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นล่มโพล่มใสแก่พี่น้องทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีทั้งจะได้ทำบุญให้ทานบริจาคเพื่อการช่วยชาติของเราซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความรักชาติของพี่น้องชาวไทยเรายังมีการบริจาคด้วยความพร้อมเพียงสมัครีและมีการสะดับกรับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> จึงเป็นศาสตราองค์เอกที่แนวทางให้กงแนวต่อบุญต่อกุศลต่อมรุญนิพานอย่างโล่งตลอดมาด้วยสวขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบแล้วแพ่วทางออกบทอันใดที่จะมากีดมาขวางทางดำเนินเพื่อมรุญนิพาน <c oughs> มากีดมาขวางสวขาธรรมของพระพุทธเจ้าตัดออกให้หมด ให้เหลือแต่ทางที่โล่งโดยถาเดียวเท่านั้นนี่เป็นทางเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมักผลนิพพานแก่พี่น้องทั้งหลายคือทางแห่งสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความเพื่อแปรงสงสัยเป็นความถูกต้องแม่นยำตลอดมา จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพูตลอดพระเนเนเถหนุ่มประชาชนทั่วทั่วไปให้มีจิตใจและดึกรู้ตัวเสมอว่าเราเกิดเป็นมนุษย์มีเป็นเครื่องหมายของผู้สร้างความดีตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมาได้ยินได้ฟังอัธรรมจากครูจากอาจารย์แล้วก็นำไป ตักเตือนตนเองสอนตนเองพระเราบวชมา <c oughs> อะไรไม่มีความสวยงามแหละทราบว่าศีรษะก็โปร่งทิ้งไปหมดทั้งๆ ท, ที่โลกเขาตกแต่งกันเป็นบ้ากันทั้งโลกไม่ทราบว่าน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรอะไรพอกลงที่หัวหัวงอกแล้วก็ยังมาย้อมให้ดำ แล้วพ่อคูณลงไปเพื่อความสวยความงามแต่พระเนนเหล่านี้โกนออกหมดไม่ยุ่งไม่เหยิงกับการตกแต่งให้สดสวยงดงามทางสังขารร่างกายแต่ตกแต่งให้สดสวยงดงามทางด้านสีด้านรมเราบวชมานี้เรียกว่าตัดขาดกันกับเรื่อง ความรู้ความเห็นความคิดที่เป็นไปตามโลกตามสารตามกิเลสตัณหาเข้าสู่อัตสุธรรมซึ่งเป็นเครื่องตัดกิเลสตัณหาซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อควรยุ่งเหยิงบุ่นวายให้รับความทุกข์ความเดือดร้อน <c oughs> เข้าสู่วงการสวพัตถ์ดัดกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องตามศีลตามธรรม ตามเพศแห่งความเป็นพระของเรามีความสังรวมระ ว, วังตัวอยู่เสมอนี่เรียกว่าพระที่สวยงามสวยงามที่สังวรธรรมคือความระมัดระวังมีสติติดต่อต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวของตนจะเคลื่อนไปทางใดก็ให้มีสติพินิพิจารณา คอยดัดคอยแปลงสิ่งที่เป็นภัยจะแสดงออกทางกายวาจาใจของเราแล้วส่งเสริมสติให้มีและความระมัดระวังให้มากขึ้นศีลของเราจะได้บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์นั่นแหละพระเด่นแต่และองค์ละองค์จะงามที่ศีลบริสุทธิ์ไม่ได้งามที่ผ้ากาสาวพัดและศีรษะเพศต่างๆ ของเราไม่ได้สวยงามยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมที่เรารักษาไว้ด้วยดีแล้วนี่ศีลธรรมที่รักษาไว <c> ้ <oughs> ด้วยดีแล้วนี้จะทําความอบอุ่นแก่จิตใจของเราจะขาตกบกพร่องการดูการกินการท้าการสอยเพราะเราทําไร่ทํานาหา ซื้อหาขายไม่เป็นอาศัยประชาชนญาติโยมเขาเลี้ยงดูตลอดในปัจจัยทั้งสิถึงจะขาดเกินบ้างเราก็ไม่สนใจยิ่งกว่าการระมัดระวังรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ประจำเน้ <c oughs> นก็มีศีลสิบพระก็อย่างน้อยก็เรียกว่าสองอยี่สิเจ็ดให้ต่างคนต่างระมัดระวัง นี่คือสมบัติอันล้นค่าของพระของเนนคือศีลของเราในเบื้องต้นเราได้บวชประกาศตนขึ้นแล้วว่าเป็นพระเป็นเนนเต็มตัวแล้วการปฏิบัติตามหน้าที่ตามเพศของพระของเนนอย่าให้มีการบกพร่องขอให้มีความสังหรวมระวังเสมอ <c oughs> เพราะความผิดพลาดมันเคยฝังอยู่ภายในใจเราแล้ว แสดงออกมาทางกิริยามารยาทนับแต่คำพูดคำจากิริยาการกระ ท, ทําทุกแง่ทุกมุมส่วนมากจะเป็นเรื่องของกิเลสชักลุงไปให้เสียผู้เสียคนมากน้อยตลอดไปแต่เรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วให้พากันสังรวมระวังศีลของเราให้ดี เมื่อสีลเป็นพื้นฐานแล้วก็เรียกว่าเรามีเนื้อนาอันดีปลูกข้าววานข้าวลงไปก็สุดเขียวงดงามสีลเป็นปุ๋ยอันดีงามที่จะทำทำภายในใจซึ่งเป็นต้นลําแห่งสิ่งเพราปลูกทั้งหลายให้งอกเออยขึ้นมาเพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวของเรา ยิงพากันบำรุงศีลของเราให้ดีเมื่อศีลดีแล้วไม่มีความระแคะราคายสงสัยตนว่าทําศีลด่างพร้อยขาดรู้ประการใดเราก็มีความอบอุ่นแม้แต่เพียงมีศีลเท่านี้สวรรค์เปิดทางไว้แล้วสําหรับผู้มีศีลบริบุญไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่ประการสาคัญคือศีลสําหรับพระของเรา จากนั้นเรื่องธรรมคือสิ่งพาะปลูกภายในสวนของเราคืออายวะทุกสัตว์ทุกส่วนเพศของเราเป็นพื้นอันใหญ่โตเต็มสังขารร่างกายกิรยามารยาตให้ระมัดระวังให้ดีธรรมของเรารักษาตัวอยู่ภายในจิตศีลเป็นรั้วกันอันดีงามด้วย เป็นปุ๋ยอันดีงามที่จะสนับสนุนผู้บำเพ็ญธรรมให้มีความสงบร่มเย็นด้วยเมื่อศีลเราก็มีอาชามเพศของพระของเราตั้งแต่วันบวชมาจากนั้นก็บำเพ็ญสมาธิจิตภตาวนาเข้าสู่จิตใจจะสมชื่อสมนามว่าเราบวชเป็นพระ เป็นแนนขึ้นมาเพื่ออบรมจิตใจให้สงบร่มเย็นต่างจากประชาชนญาติโยมเขาซึ่งไม่ไเคยอบรมจิตใจให้สงบร่มเย็นนี่หละเป็นสำคัญที่ตรงนี้ให้เราอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นการอบรมจิตใจนั้นท่านก็มีแบบมีฉบับไว้เป็นทางเดินเพื่อความสงบต่อจิตใจโดยมีสติ เป็นเครื่องภวกภุมิงานของตนเช่นเราภาวนาการภาวนาต้องมีหลักยึดของใจถ้าไม่มีหลักยึดใจเล่ๆล่อนๆเพริบสติไปได้แล้วก็ชะแหลกไปทางเฉลียตัญหาโดยไม่รู้ตัวทั้งๆที่เราว่าเราภาวนาอยู่นั่นแหลกเพราะฉะนั้นจึงต้องให้มีธรรมบทใดก็ได้ ตามแต่จริติสัยของเราชอบเช่นพุโทโธธรรมโมสังโฆดางที่กรรมฐานสี่สิบห้องนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของจิตใจเราที่จะนำเข้ามาสู่การภาวนาะเพื่อสางามเพื่อความสงบใจได้ตามจดิติสัยของผู้ชอบทมบทนั้นนั้นแล้วนำทำบทนั้นนั้นเข้ามาบริกรรมต่อจิตใจของเราเช่น ผู้บฏิกรรมพุทธโธก็ให้พุทธโธติดอยู่กับใจนะแล้วมีสติกำรรกับใจอยากให้เผลอไผลไปไหนให้อยู่กับคำปฏิกรรมนี้เรียกว่าภาวนาใจของเราที่มีแต่อารมณ์พุ่งอยู่ตลอดเวลาภายในใจออกข้างนอกด้วยการผ ล, ลักดันของกิเลสภายในให้แสดงต่าง เล้เกิดจนถึงกับเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความคิดความปรุงย้อนเข้ามาทําลายตัวเองนั้นก็จะช่อยสงบลงสงบลงเพราะเรานําคําบุญกรรมซึ่งเป็นความคิดความปรุงเหมือนกิเลสนั่นแหละแต่เป็นความคิดความปรุงของธรรมเพื่อชาระล้างกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นส่วนความคิดความปรุงของกิเลสนั้นเพื่อความเศร้าหมองมือตื้อ เพื่อสร้างฟืนสร้างไฟมาเผาจิตใจของเราให้เกิดความดอดร้อนมัวหมองตลอดเวลาให้ํำจัดสิ่งนั้นคือว่าลั ง, งับความชิดที่เป็นจิเลวทั้งหมดนั้นออกเสียให้มีแต่คำบริกรรมมีพุทโธดธรฎมโมตามแต่จริตนิสัยชอบกับสติควบคุมกันอยู่ในเวลานั้น เฉพาะพระเนรของเราถือเป็นหน้าที่การงานอันสำคัญมากประจำเพศของพระของเนรเราควรที่จะเละือกได้ตลอดไปได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เหมือนประชาชน ญ, ญาติโยมเขาเพราะเรามีหน้าที่นี่โดยเฉพาะแล้วใจของเราเมื่อได้รับการบํารุงรักษาแล้วจะแสดงความแปลกปรลาด ความสงบลมเื็นเป็นพื้นฐานขึ้นมาในเบื้องตน้นความชิดด้วยการภาวนานี้เป็นความคิดฝ่ายมากซักฟอกกิเลสออกเป็นลำดับลำดาไม่เหมือนความคิดของกิเลสซึ่งเป็นความคิดที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้จิตใจให้เดือดร้อนไวุ่นวายไปตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพราะงั้นเวลานั้นจึงต้องระงับดับความชิดของกิเลสเสียให้หมด ไม่ต้องเสียดายเราคิดมาตั้งแต่ตื่นนอนแล้วจนกระทั่งค่ำเอาความหลับเป็นการดับเครื่องความคิดของเรานอนหลับแค่พักหนึ่งแล้วก็พอสบายหากว่าไม่ได้นอนหลับมนุษย์เรานี้ตายง่ายมากทีเดียวเพราะความคิดความปรุงนั้นแหละมันเป็นไฟเผามนุษย์ให้ตายได้เนื่องจากเปิดเครื่องแล้วดับไม่เป็นเปิดเครื่องคือว่า จิตมันคิดปรุงตั้งแต่ตื่นนอนมันก็ติดเครื่องของมันเองแต่เวลาดับเราก็ดับไม่เป็นต้องเอาความหลับมาเป็นเครื่องระงับดับกันในวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่แหละมนุษย์เราพออยู่ได้เพราะมีการหลับนอนระงับสังขารความคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นลงได้เป็นพักๆในเวลาหลับนี่แต่ทางด้านจิตใจนี่ให้ระงับดับความคิดความปรุงเหล่านั้นด้วยโบทภาวนา เมื่อเราภาวนาอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความเอาจริงเอาจังต่อหน้าที่การงานของเราใจะจะเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในตัวเองแล้วเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆใจนี้เวลาได้สงบลงไปแล้วจะมีแปลกๆต่างๆกันบางลายสงบส่วนมากจะสงบลงไปด้วย ความราบเรียบราบเรียบค่อยสงบลงสงบลงจนลงแนวเงียบหมดความฟิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายตัดผอมหมดไม่มีในเวลานั้นแม่ที่สุดทำบริกรรมที่กำลังบริกรรมนั้นก็ระงับตัวไปทรงไว้แต่ความสงบเย็นอยู่ภายในนี่ท่านเรียกว่าจิตรวม <c oughs> ทีนี้เราทำอย่างนี้เรื่อยเื่อ จิตของเราสงบรวมลงไปอย่างนี้เรื่อยๆก็เป็นการสร้างพลังให้ฐานของจิตมีฐานปรากฏขึ้นมาและมั่นคงต่อไปจนกลายเป็นสมาธิได้นะจิตสงบ ห, ห, หลายครั้งหลายหนสงบแล้วถอนขึ้นมาสงบแล้วถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนก็เป็นการสร้างพลังหรือสร้างฐานของสมาธิ คือความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาได้ภายในใจของเราจากนั้นจิตก็เชื่อมโยงเข้าไปถึงสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงประจำใจ <c oughs> แม้เราจะคิดอ่านใจต ร, รองเรื่องหน้าที่การงานอะไรก็ตามแต่ย้อนกลับมาดูใจที่ตัวภูลูนี้จะเป็นฐานที่มัน่นคงแน่นหนาอยู่ภายในใจอันนี้ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ ในภาคปฏิบัติคือที่แรกก็สมถะความสงบเป็นค้างเป็นคาด้วยจิตรวมลงรวมล ง, ลงถอนขึ้นมาซะก่อนนะขั้นหลายค้างหลายหนก็กลายเป็นจิตเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงขึ้นมาพอจิตแน่นหนามั่นคงขึ้นมาแล้วทีนี้เรื่องอารมณ์ทั้งหลายภายนอกที่เคยยุ่งป่วนจิตใจด้วยความสมัครรักชอบของตัวเอง ที่ชอบคิดชอบปรุงนั้นจะระงับตัวลงไปจนกระทั่งถึงว่าไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรเลยนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิระงับดับอารมณ์ทั้งหลายทั้งตาก็ไม่อยากดูหูไม่อยากฟังรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยก่อขวนจิตใจด้วยความพอใจในการคิดท่องเตยอย่างนั้นก็ระงับลงไปเพราอจิตมีเป็นสมาธิแล้วจิตจะ มีแต่ความสงบแน่วอยู่เป็นความรู้อันเดียวท่านเรียกว่าเอะกะตาลมก็ได้แต่เอกตาลมเวลาจิตสงบแนวก็เป็นเอกตาจิตเ อ, อกคตาลมเวลาถอนขึ้นมาจิตก็เป็นฐานอันมั่นคงอยู่นั้นแหละนี่อันหนึ่งนะ <c oughs> นี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิในบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้ฟังให้ถึงใจทุกๆท่าน การแสดงท้งนี้หลวงตาได้แสดงกับพี่น้องทั้งหลายด้วยความแม่นยำในใจด้วยความไม่สงสัยด้วยความแน่ใจทุกสัต์ทุกส่วนตั้งแต่เริ่มสมถะธรรมเป็นสมาธิขึ้นทำขึ้นมาเรื่อยๆดังที่ว่านี่แหละพอจิตเป็นสมาธิเต็มภูมิแล้วเหมือนน้าเต็มแก้วนะจะทำอะไรให้มากจริงกว่านั้นก็ไม่ได้ ถึงขั้นสมาธิเต็มภูมิเหมือนน้ำเต็มแก้วเรียกว่าพอแล้วนี่สมาธิถึงขั้นพอพออย่างนี้แล้วก็อยู่กับความสงบอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่อิ่มพอไม่เบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญสมาธิจึงติดสมาธิได้เพราะไม่มีใครมาชี้แกงแสดงบอกทางด้านปัญญาเพื่อจะคลี่คลาย จิตใจออกสู่ปัญญาพินิพิจนาสภาวะธรรมตั้งหลายด้วยปัญญาเพื่อถอนกิเลสแล้วก็ติดอยู่ในนั้นเสียติดอยู่ในนั้นเสียเพราะเป็นจิตเป็นเป็นจิตที่มีความสุขพอตัวพอตัวเพียงขั้นสมาธินั่นก็เอิ้อิมพอแล้วสบายถ้าไม่มีผู้สอนทางด้านปัญญาแล้ว จะไม่สนใจดังด้านปัญญาสุดท้ายก็ตายกันอยู่กับสมาธิได้เพียงแค่นั้นแหละทมที่เลิศเลกอกว่านั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงได้เตือนให้บรรดาพระลูกระหลานทั้งหลายทราบเมื่อจิตมีความสงบ พ, พอเป็นปากเป็นทางแล้วถึงการเวลาที่ควรใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาปัญญาใช้กับอะไร งานของเราได้รับมาแล้วตั้งแต่วันบวชอุปชามอบไปแล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตโจเป็นต้นนี่คืองานของเราผู้บวชงานอันนี้เป็นได้สองอย่างงานบาเพ็ญในเบื้องตน้นอาศัยเจสาโลมานี้มาเป็นคำบุิกรรมเพื่อสมถะธรรมก็ได้เมื่อจิตมีความสงบแล้วเราจะ จนกระทั่งเป็นสมาธิเป็นลำดับลำดาเราแยกเอาเกศาโลมานี้ไปเป็นงานเพื่อวิปัสนาแยกธาตุแย ก, กขันเกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจแยกแยกออกตั้งแต่ผมขนและฝันหนังดูให้ดีด้วยปัญญามีสติจดจ่อต่อเนื่องส่วนมากผู้ที่ภาวนามีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วเรื่องสติ มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วสติจะไปได้ดีทำงานด้วยความราบลืมเพราะฉะนั้นเวลาก้าวออกทางด้านปัญญาจึงไปได้เร็วไปได้เร็วแยกพิจารณาถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามแต่จะถูกกับจริตนิสัยของเราในกรรมฐานในกรรมฐานใดก็ตามในสี่ห้ากรรมฐานไม่ใช่ว่าเราจะต้องนะพิจารณา อันนี้แล้วไปพิจารณา น, นั้นเป็นสองเป็นสามอันนั้นเป็นการเรียงลำดับมันเป็นปริยัติไปเสียให้เป็นภาพปฏิบตัติต้องลงในปัจจุบันถนัดใจในอาการใดของกรรมฐานห้าจนกระทั่งเข้าถึงอาสกลกายทั้งหมดภายนอกภายในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้ผู้พิจารณาอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาแยกจะให ตลอดทั่วถึงให้ติดเดินกรรมฐานภายในนี่นี่เรียกว่าก้าวเดินทางด้านปัญญาให้เจนมาถึงเรือ่ อ, องอาสุพระอาสุพังก็มันเต็มตัวอยู่ทุกคน <c oughs> ไม่ได้มีใครมีมากมีน้อยต่างกันทั้งเขาทั้งเราทั้งคารวะาและพระมันเป็นกรรมฐานเต็มตัวกรรมฐานเราก็แปลได้แล้วมีใครเหลือที่ตั้งแห่งงานของผู้ ต้องการความหลุ้พ้นจากทุกตั้งที่ตรงนี้เองนั่นเรียกว่าที่ตั้งแห่งงานงานคือการพิจารณาที่สายออกไปเ <c oughs> มื่อการพิจารณาสิ่งเหล่านี้พิจารณาไปนานๆานจิตใจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าแล้วให้ถอนจากการพิจารณานั้นเข้ามาสู่สมาธิ เพื่อสงบอารมณ์ไม่ต้องทํางานไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องปัญญาในแง่ใดเลยให้สนใจต่อความสงบแล้วทําจิตให้สงบแน่ๆพักอารมณ์ <c oughs> นี่เรียกว่าพักงาน <c oughs> จิตเมื่อได้พักงานแล้วเรมีกําลังว่างชาพอควรแต่การเวลาแล้วถอยตัวออกไปพอถอยออกไปแล้วก็ประกอบหน้าที่การงานที่เราเคยประกอบนั่นแหละ เกณฑเจสาลุมานะขาดันโจทั่วสรรนภากร่างกายแยกแยะดูท่าดูขันซึ่งเป็นสิ่งที่ติดพันกับสัตว์โรคมานา น, น, นเรียกว่าภูเขาผูเราภูเขานั่นคือเขาก็ถือของเขาถือผูเราก็ถือของเราทั้งเขาทั้งเราพระเข้าต่างคนต่างยืดตามถือภูเขาผูเราคือสกลกายอันนี้ว่าสดว่าสวยว่างดว่างาม ว่ากีรังถาวรแต่ป่าช้าติดอยู่ทุกอาการในนั้นมันไม่ได้ดูนี่เพราะไม่ได้พิจารณากรรมาฐาน <c oughs> เมื่อพิจารณากรรมาฐานแล้วดูทั้งอสุภะอยูภพังทุกถังอันจังอนตาป่าช้าผีดิบป่าช้าผีตายจะรอบอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้หมด <c oughs> เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาแยบคายเข้าสต่ไร มันจะคล่องแคล่วว่องไวขึ้นเห็นกระจ่างแจ้งขึ้นไปลำดับอูปะทานความยึดมั่นถือมั่นมันจะถอนตัวห้องมันไปด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับลาดาไปนั่นแน่นี่เรียกว่าปัญญาถึงขั้นปัญญานี่แล้วจะออกว้างขวางมากมายไม่ได้เหมือนสมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วอยู่เพียงแค่นั้น พอเข้าออกทางด้านปัญญานี้จะเบิกกว้างออกไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี้ปัญญาจะวิ่งจะซึมซาบไปได้หมดตรงอนนจังทุกขังอตาปล่อยวางได้หมดรู้เพราะรู้ไปหมดเนื่องจากพิจนาไปหมดด้วยความคล่องแคล่วของสติปัญญานี่แหละที่เละทั้งหลายจะจะค่อยถอนตัวลง อาวณอารมณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสผูกพันจิตใจนั่ง จ, จางลงจางลงเพราะความผูกพันของเรานี้ต่างหากที่ทําสร้างที่สร้างความขังบนและผลทุกมาใส่ตัวของเราเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆและสติปัญญาของเราจะแก่แกล้าสามารถไปเป็นลําดับลานาจนมีความคล่องตัวคําว่าคล่องตัวนี้ขอให้เป็นหน้าที่ ของท่านผู้พิจาณาด้วยความคล่องตัวแล้วปฏิบัติตัวเองรู้ต่อเองไม่จําเป็นจะต้องอธิบายอย่างกว้างขวางเพราะเรื่องปัญญานี้กว้างขวางมากใครคาดไม่ได้ทีเดียวเรื่องคาดปัญญาที่เลตจะมีความกว้างของขนาดไหนจํะไม่พ้นพิสัยของปัญญาที่มีความแก้วกล้าสามารถนี้ไปได้เลยดังที่ท่านแสดงไว้ในปริญญาเราทั้งหลายที่เรียนมาด้วยกันก็รู้ ว่าปัญญาเกิดได้สามทางสุตตามยาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังนี่เราได้ยินได้ฟังแล้วกรรมาชิดอ่านเป็นปัญญาปัญญาก็เกิดได้จินตามยาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาใจตรองของคนทั่วๆไปหนึ่งนภาวนามยาปัญญาอา น, นิี้ตาอันตูสำหรับนักสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลาย ที่ยังไม่เคยปฏิบัติจิตตภาวนาให้รู้ทางเดินของภาวนามายปัญญานี้จะงงงันอันตู้ไปเดินเหมือนกันหมดเอาพูดเข้มก็ไม่พ้นผู้แทกไปได้ดังผมเองผมก็เคยติดในขั้นนี้นะว่าภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี้งงหมดไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย ต่อเมื่อได้ก้าวเดินทางปัญญาด้วยภาคปฏิบัติเข้าไปถึงปัญญาขั้นขั้นนี้แหละพอที่แรกก็ก้าวเดินทางปัญญาดังที่สอนเมื่อสักครู่นี้ไปก่อนพอปัญญาขั้นนี้มีความคล่องแคล่วตัวลงไปโดยลำดับลำดาแล้วปัญญาขั้นนี้จะก้าวเดินเองเมื่อก้าวเดินเองแล้วก็เป็นภาวนามยปัญญาจะเห็นลูกฟังเฉียงดมกลิ่นนิมรอสัมผัสจัมบันอะไร ก็ตามไม่เห็นไม่รู้ไม่สัมผัสธรรมันก็ตามกิเลสอยู่ที่ใจปัญญาอยู่ที่ใจกิเลสระหว่างกิเลส ก, กับปัญญาจะฟัด ก, กันอยู่ภายในใจเป็นสติปัญญาขึ้นมาภายในภายในนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญามันจะฟัด ก, กันกับกิเลสอยู่ภายในใจต้องเองโดยอโัตโนมัติโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่าภาวนามายปัญญา <c oughs> ภาวนามายปัญญาเมื่อได้ก้าวออกแล้วนี่ ความภาคเพียนนี้จะเข้มแข็งมากทีเดียวที่เราว่าเพียนเพียรอุตส่าห์พยายามถูไถถึงขั้นภาวนามายปัญญาแล้วจะไม่มีคําว่าถูไถ ي. นอกจากได้รั้งเอาไว้เท่านั้นเพราะมันจะเลยเถิดเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นปัญญาที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสตัณหาอย่างถึงใจเป็นลําดับลําดาและเห็นคุณค่า ของปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนจริงความเพียรประเภทนี้จึงไม่มีหยุดมียัง้งหมูนตัวเป็นเองไปเลยเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัตินีไปเองเราไม่ต้องบังคับเรื่องความเพียร น, นอกจากล้างเอาไว้เหตุที่จะล้างเพราะอะไรเพราะการพิจารณาทางด้านปัญญาเพลินไปกับการฆ่ากิเลส ในในระยะ น, นั้นเหมือนนั่งมวยเขาต่อยวงในกันนั่นเองใครไม่ได้คานึงถึงความเจ็บแสบแปะปวดปวดปวดร้าวอะไรพวกนั่งมวยอันนี้ระหว่างกิเลส ก, กับสติปัญญาขั้นนี้เมื่อได้เข้าคุกเล้ากันแล้วก็ไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ไม่มีหนาวมีร้อนหมุนตัวอยู่ภายในกิเลสอยู่ภายในสติปัญญาก็เป็นอัตโรมัติแล้วก็หมุนกิเลส อ, อ, อ, อ่านัา้นัศิปัญญาเป็นอัตโนมัติหมูลกิเลสอยู่ภายในใจตลอดเวลานี่เรียกว่ า, าทํางานโดยอัตโนมัติตามธมรรมดากิเลสเป็นอัตโนมัติของมันมาดั้งเดิมประจำประจําโรคสงสารประจําหัวใจของโรคของสงสารมีแต่กิเลสทํางานเป็นอัตโนมัติคิดออกในแง่ในมุมใดเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้น เราก็ไม่ทราบได้ว่ากิเลสทํางานเป็นอัตโนมัติบนหัวใจสัตว์โลกแต่พอมาถึงขั้นเราพิจารณากิเลสแก้ไขถอดถอนกิเลสโดยอัตโนมัติในหัวใจของเราแล้วมันก็สืมทราบออกไปถึงหัวใจของโลกว่ากิเลสทํางานอัตโนมัติแต่ไม่มีปัญญาทํางานอัตโนมัติเหมือนเราพิจารณาอยู่เวลานี้เท่านั้นมันก็ทราบได้จากทีนี้เวลาสติปัญญาถึง ทำงานขั้นนี้แล้วจะไม่มีวันมีคืนการหลับนอนต้องได้บังคับให้นอนไม่นอนไม่ได้เทินตัวนี่เรียกว่ามันผ่าผลเกินไปต้องรั้งให้มีการพักจิตซะก่อนเมื่อถึงการเวลาจิตใจที่พิจารณานั้นเรียกว่าทำงานเมื่อทำงานก็ต้องเหนื่อ ย, อยไม่ละให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิเสียนั้น เข้าสู่สมาธิแล้วอย่าไปกําวลกับปัญติปัญญาที่เคยทำงานมานั้นให้อยู่เฉพาะความสงบความสงบนี้มันก็ไม่อยากอยู่คือสมาธิที่เราว่าเต่งกล้าสามารถแต่ก่อนจนกระทั่งเราติดนี้เมื่อก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วนั้นมาสัจะะจะมาตหนิเรื่องสมาธิ ว่านอนตายไม่มีคุณค่าอะไรนั่นเมื่อปัญญาได้ก้าวออกเดินเห็นคุณค่าของปัญญาของตัวเองและเห็นโทษของกิเลส อ, อย่างประจักษ์ใจด้วยปัญญาแล้วจะมาาำนิสมาธิที่มีความสงบเฉยๆฆ่ากิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้นั่นก็มาเห็นโทษกันตรงนี้ถึงจะเห็นโทษก็ตามเมื่อถึงขั้นที่เราจะพักสมาธิของเราให้พัก งานคือการพิจารณาทางปัญญานั้นเสียแล้วย้อนเข้ามาสู่สมาธิเข้ามาสู่สมาธิบางครั้งเฉยๆมันไม่อยู่นะถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี้แล้วจะไม่อยู่จะผ่าโพนตนชา ย, ยานกับงานของตนคือการแก้ที่เหลยกโดยตัวเดียวจึงต้องยับยัง้งบางครั้งถึงต้อง ใ, ใช้คําบุริกรรมเหมือนเราเรียนกอไก่กอกาไม่เคยมีสมาธิมาก่อนเลยอย่างนั้นนะ ต้องเอาคำบริกรรมบีบบังคับเอาไว้คำใดเช่นพูดถกเป็นต้นบีบไม่ให้มันออกไปหาทางด้านปัญญาไม่ใช่มันออกไปฟุ้งเฟอ้อเหมือนแต่ก่อนนะพะออกจากสมาธินี้มันจะโดดเข้าถึงการห้าหันกับที่เหลียดตัวยหญยเดียวเนี่ยปัญญาขั้นนี้จะเป็นอย่างนั้นมันรุนแรงมากมีกำลังมากจึงต้องหักเข้ามาสู่สมาธิให้บังคับไว้ก่อน เอาเอาคำบริกรรมกำกับเอาไว้ให้แน่นหนามั่นคงจนจิตนี่มีความสงบแนว่วไม่ชิดไม่ตรุงเรื่องปัญญาเรื่องอะไรก็ตามให้สงบนั้นจนมีกำลังลหนึ่งจะเป็นเหมือนกับถอดเสีย้ยนถอดน้ำออกจากใจของเรามีความสะดวกสบายหายห่วงทุกอย่างเย็นสบายนี่คือใจได่งกำลังจากสมาธิพักเรียบร้อยแล้ว พอได้โอกาสสมควรแล้วว่าปิดเรามีกำลังแล้วปล่อยเท่านั้นนะมันจะผึ่งออกทางด้านปัญญาทันทีเลยทีนี้ก็ทำหน้าที่ทางด้านปัญญาพิจณาแก่ถอดถอนกิเลสเป็นลาดับลาดาไปจนกว่าว่าเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาเมื่อที่เคยเป็นมาแล้วเข้าพักสมาธิเข้าพักสมาธิยาให้เลยเถิดนี่คือการปฏิบัติเรียกว่าอปันกปฏิปัตา ในจิตขั้น น, นี้ปฏิบัติไม่ผิดถึงขั้นที่ควรจะพักให้พักถึงจะมาได้การได้งานอะไรก็เหมือนกับเราทําการทางานขุดดินฟันไม้เลื่อยไม้สายกบต้องเหนื่อยเหนื่อยไม่ลาเราต้องพักงานพักงานแล้วเราจะรับฐารอาหารจะสิ้นเปืองไปเท่าไรก็ตามแต่มันก็ย้อนมาเป็นกำลังหนุนเราใ ห, ให้ทำงานต่อไปได้อยู่นั่นแหละ อันนี้ก็เหมือนการจิตหมุนเข้ามาสู่สมาธิน ะ, ะแล้วไม่ได้ถอดถอนกิเลกก็ตามแต่มาสั่งสมกำลังเพื่อเป็นกำลังอันสาคัญต่อปัญญาได้พิจารณาคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นอีกนั่นให้พิจารากันอย่างนี้อย่างนี้นี่อธิบายให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายฟังในการปฏิบัติยิตะภาวนาอยากให้เห็นเหตุเห็นผล เห็นอัจเห็นทรรังวเจ้าทรงแสดงไว้แล้วสจุดลอนนั่นให้มาสจุดลอนที่หัวใจของเราผู้ปฏิบัตินี่สิที่เป็นของสำคัญมากนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาโดยสติปัญญาธตนมัตินี่กว้างขวางมากทีเดียวหมุนติวติ่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะไม่ไม่มีเวลาพ่าจากกันเลยสติไม่ต้องถามว่าเผลอเมื่อไหร่ไม่มี นีอยากวัตติปัญญาสัตมัติจากนี้แล้วก็ยิ่งมีความแจ้วกล้าสามารถละเอียดรอเข้าไปก็เชื่อมโยงถึงมหาสติมหาปัญญาพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วซึมซาบไปเลยไม่ได้เป็นเหมือนสติปัญญาอัตโนมัติซึ่งเป็นเหมือนเขาฟักลาบยำลาบปักปักปักปักเป็นบทเป็นบาทนี่คือสติปัญญาขั้นอัตโนมัติ พอก้าวจากนี้เชื่อมโยงกับมหาสติปัญญาแล้วเป็นสติปัญญาที่สืบทราบไปเลยทิ่เหลือมีมากมีน้อยอะไรขาดสะบัน้นขาดสะบัน้นไปภายใ น, ในใจิตใจนี่แหะมันก็ขาดสะบั้นไปแล้วตั้งแต่สติปัญญาอัตนมัติธรรมดาแต่ขาดยาและเอียดต่างกันพอถึงขั้นที่เหลืละเอียดสติปัญญาก็ก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญาแล้วเป็นการสืบทราบ เผากันกแหลกเหลวไปเลยแหลกเลยสุดท้ายก็ฟาดอวิชาปัญญาสร้างคาลาซึ่งตรงตัลละเอียดแหลมคมผ่ อ, องใสสุดยอดอยู่ภายในใจของเราให้ขาดชาวบ้นลงไปจากจิตใจจิตก็ดิดถึงขึ้นมาพ้นจากทุกข์แล้วโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปริภานานานทั้งเท่าไหร่สารทิทโกรพระองค์ประกาศไม่แล้วตั้งแต่ วัานประธานพระว่ามาติดตัวใจของเราแล้วไปทูลถามพระผู้เจ้าหาอะไรพระผู้เจ้าคือใครก็ไม่ต้องทูลถามก็คือจิตที่หลุดพ้นแล้วนี่แหละจิตของท่านผู้ใดก็ตามที่หลุดพ้นไปแล้วเทียบกันได้เหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลงหนะไหลงสู่มหาสมุทรนะไหลมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไหลลงสู่มหาสมุทร ตอนที่ยังไหลอยู่นั้นยังเรียกแม่น้ําสายนั้นสายนี้ได้อยู่แต่พอก้าวไหลเข้าไปสู่มหาสมุทรเต็มตัวแล้วกลายเป็นน้ำมหาสมุทรเหมือนกันไปหมดไม่เรียกว่าแม่น้าํนสาสายนั้นสายนี้ฉันใดก็เหมือนกันจิตของผู้บําเพ็ญเริ่มต้อแต่จิตมีความสงบเป็นสมาธิเป็นตัญญามิปัจฉนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสังหารจิเลสอวิชาขาดสะบั้นนองจากใจแล้ว นั่นแหละเรียกว่าแม่น้ําสายนี้ได้ถึงจุดหมายปลายทางแม่น้ําสายของเรานี่แหละสายใจของเราที่กำลังนำเนินไปถึงมิมุตหลุดพ้นผางขึ้นมาในเวลานั้นแล้วไม่ถูนถามพระพุทธเจ้าเพราะเป็นมหาวิมุตเป็นมหานิพพานเป็นธรรมธาตุด้วยกันเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับแม่น้ําที่ไหลลงสู่มหาสมุทรเป็นแม่น้ำมหาสมุทร อันเดียวกันหมดจึงไม่มีการถามกันนี่บรรดาท่านผู้สิ้นกิรลสทั้งหลายจะไม่ทูลถามกันธรรมบุตรเจ้าและถามกันก็ไม่มีเพราะเป็นเครื่องประกาศยันตัวด้วยสันทิตโกวาลสุไทไายประกาศป้างขึ้นมาโลกธาตุนี้ขาดชะบันไปหมดจิตนี่สว่างจ้าครอบโลกธาตุตั้งที่พี่น้องทั้งหลายแล้วบรรดาพระเนรแล้วเนียสาคัญมาก ผู้ที่อาจเอื้อมจะเอาได้ก็คือผู้นี้แหละผู้มีหน้าที่ทำงานกา ร, ราพาิจารณาโดยไม่มีภาระผูกพันใดๆเลยมีตั้งแต่หน้าที่การภาวนาโดยสายเดียวเป็นผู้ที่จะตักตวมกงมรรคผลนิพพานได้ตั้งแต่ขั้นสมาถาวิปัสสนาขึ้นไปอยู่กับหน้าที่ของพระผู้ตั้งอกตั้งใจเพื่อมรรคผลนิพพานซึ่งเบิกกว้างไว้เรียบร้อยแล้วด้วยสวยกาธรรม พิจารณาตามนี้ตามนี้จิตจะก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นแล้วไม่ต้องถามกันนี่ทำคำพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรคนิพานสดสดร้อนๆ้อนไม่มีการนั้นกระถานนี้มีตั้งแต่ความเบิกกว้างไว้ด้วยส่วคารธรรมนี่ละให้พากาันจำข้าเราอยากชมมรคนิพานเวลานี้มีตักทเลตมันโจมตีมรคนิพานนะมนไม่ได้ทำ ภาวนานัน่งสักหนึ่งนาทีมันก็ไม่ได้ทำแล้วลึกถึงพระพุทธ เ, เจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหนึ่งนาทีสองนาทีมันก็ไม่ละลึกนะแต่คั้นแล้วมันก็อวดเก่งยิ่งกว่าจอมปราชคือศาสตรเาเลวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละขึ้นช่อกิเลสนี่พองตวงัวต่อสู้กับพระพุทธเจ้าต่อสู้กับธรรมเรียกว่าเป็นค่าศึกของธรรมร้อยเปอร์เซ็นตคือกิเลสมันไม่ได้สนใจกับ การกุศลอะไรล่ะแต่มันอวดดิบอวดดีมาให้คะแนนมาตัดคะแนนผู้บำเพ็ญบุญงามความดีมันหาว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปเท่าวนรกไม่มีสวร ร, รค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพานไม่มีทั้งๆ ท, ที่มันตาบอดอยู่นั้นแหล ะ, ะมันก็อวดได้คนตาบอดชอบอ ว, วดดิบอวดดีชอบโม่ชอบกุยไม่มีใครเกินคนตาบอด หัวใจที่บอดมันก็เป็นแบบเดียวกันมันอวดดีต่อศีลต่อธรรมอวดดีตัวต่อพระพุทธเจ้าทุกทุกประโคมมันอวดดีฉะนั้นมันอวดดีต่อบาปต่อบุญต่อหน้าโรกสวรรค์ภพมโลกนิพพานมันลบหมดสิ่งแล้วนี่ไม่มีมันว่างั้นเนี่ยกิเลสตัวนี้แหละตัวที่มันมัดหัวเราให้มาตายกองกันเวลานี้คือกิเลสตัวไหนถ้ามัใช่กิเลสตัว ที่มันลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานไม่มีเนี่ยตัวนี้เองตัวมันลบนี่หลให้ทราบเดี๋ยวว่านี่คือตัวที่เลยตัวเป็นภัยแก่หัวใจของเราด้วยเป็นภัยแก่ผู้อื่นผู้ใดเมื่อได้ยินได้ฟังจากเราด้วยเมื่อเชื่อกันไปมันก็เป็นมหาภายัยเผาเราลงนรกนะนรกใครเป็นบัญญัติบรญยัติไว้ที่ไหนพระพุเทธเจ้าจัตตลูกองค์ไหนธรรมนี่เป็นหลักธรรมาชาติ นรกมีมากี่กับกี่กันนรกตีหลุมทั้งก็แสดงไว้ตามความรู้แจ้งของขบุทียาทุทุโปรงสวรรค์มีจีชันจงกระทั่งพรหมโลกพระนิพานแยกไปหาพวกเปรตพวกผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรในน้ำบนบกมีหมดจิตตวิญญาณของสัตว์ที่สแสวงหาดความเปิดและ และสวยทุกอยู่ตามกําเนิดของตนของตนในที่นั่นเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรนี่ล้วนแล้วตั้งแต่พวกที่ตาบอดอวดธรรมนั่นละ่ะเยียบธรรมพระพุทธเจ้ามั่นถึงได้ไปเป็นอย่างนี้ตกนรกก็มีไม่ใช่ใครพวกตาบอดอวดดีนี่แหละไปตกนรกนะแล้วไปเป็นเตตเป็นผีสารประเภทต่างๆก็พวกที่อวดดีตาบอดๆนี่แหละมันอวดว่าสิ่ง ทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้ามันก็สร้างแต่บาปเผาแต่ตัวเองตายเวลาไปเป็นเปรตเป็นผีแล้วบาปมีหรือไม่มีก็มันเสวยเองใครไม่ถามมันก็รู้ตัวเองมาเองแล้วดวงนรกเผาไม่ขนาดไหนนรกมีความเดือดร้อนขนาดไหนตั้งตับตั้งกันเผามาตลอดจนกว่าจะสิ้นกรรมมีเรื่องนีมันก็เสวยตัวของมันเองเนี่ยนี่เห็นไหมโถขึ้นมาอีกจิเล็ก็หลอกอีกปิดหมด ที่เคยตกนรกห ม, ม, กมู่ม่านมาขี่กันปิดทางเดินไม่เห็นร่องรอยมาเลยโอขึ้นมานี่ก็ว่านรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเอาอีกสร้างอีกลงอีกเนี่ยพวกตาบอดชอบอวดดีแล้วก็ชอบเผาตัวเองตลอดเวลาส่วนพวกตาดีคือพู้เชื่อศีลเชื่อธรรมเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธทเจ้านั้นจะเป็นผู้มีหีรีโอตปาคือมีความสะดุกลัวต่อบาปต่อกม ต่อสิ่งไม่ดีทั้งหลายมีความก็หยิมยิ้มย่องต่อการสร้างคุณงามความดีแล้วก็ค่อยขยับตัวไปทางดีเรื่อยเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆุกประวงไม่ได้สอนสัตว์โลกรากสัตว์โลกให้จมยงในนรกเหมือนกิเลสหลอกลวงรากสัตว์โลกจมในนรกนะักท่านลากออกจากความทุกข์ทั้งหลายขึ้นโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงนิพพานไม่ใี่แต่พระพุทธเจ้าสั่งนั้นมาสอนสัตว์โลก ให้พ้นจากทุกข์ที่เรียกตัวใดมันจะอวดดีพอดีมาจากไหนไม่เคยเห็นมันมาฉุดลากสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์เลยไม่มีแม้ตัวเดียวก็มีปู่ย่าตายายมันมีมากขนาดมีตั้งแต่สกุลต้มถุงหลอกลวงสัตว์โลกนานั้นเราก็เป็นลูกสถาคตเราก็มีญาติมีปู่ย่าตายายมีโค้ดมีแท่ทำไมจริงให้ ลอยให้กิเลสมันยกโคตรยกแท้มาเหยียบย่ําทําลายโคตรแท่ของพุทธศาสนาของเราเอานั่งหนาโดยไม่ลืมหูลืมตายกมาเยียบหัวเราด้วยไม่ลืมหูลืมตามีอย่างหรือพวกเราชาวพูดให้พากันพิจารณาบ้างนะกิเลสหลอกลวงมาขนาดไหนทําไมจึงไม่ตื่นกันบ้างพระพุทธเจ้าโฆษณาสั่งสอนสั่โลกด้วยความเมตตาสารชุดรากไม่พ้นสั่งโกมาประจําแล้วทําไมจึงไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าให้ไปสอนตัวเอง ให้ตั้งปัญหาถามตัวเองไม่งั้นมันจะจมนะ่ะ เ, เราที่เก่งๆนั้นแหะเวลามันจนเกอกจนมุมมันไม่เห็นเก่งเห็นไหมนักโทษเขาติดอยู่ในเรือนจําตัวลือนามลือนามอยู่ในนั้นหมดนั่นแหละว่ามันเก่งมันแจ่งไม่มีใครจับได้มันสนุกทํำอะไรทําตามความเข้าใจอวดเป๋งซะด้วยน ะ, ะพวกโจรม้าใหญ่หญๆนี่อวดเข่งเป๋งซะดวยเจ้าอํานาจเนี่เป็นอํานาจเหนือฟ้าไปที่ไหนประชาชนหมอบประชาชนหมอบเวลามัน แผงลิ้ดไดอยู่ น, นี่พอเจ้าหน้าที่เขาจับยัดเขาใส่คุกแล้วมันไปแผงลิ้ดกับใครละ่ะเห็นไหมละ่ะความจนโกก็จนตอกก็คือมันเองความแผงลิด้ดจะคือมันเองนอกเรือนจำํำพอเข้าเรือนจํามันแผงลิ้ดได้ไหมละ่ะอันนี้แล้วก็แผงลิ้แต่เวลาที่ยังไม่ไปตกลงโลกนี่ละ่ะพอลงนรกแล้วใครจะไปแผงลิ้ดในโรกได้เราไม่เคยเห็นนั้นอันชนรกตัวใดออกมาแผงลิ้ต่อสู้กับ พระพุทธเจ้าต่อสู้กับธรรมทั้งหลายฟ้านตนรกทั้งหลายแตกกระจักรย์ายไม่มีอะไรเหลือเลยด้วยความแผลงฤทธิ์ของอสัตว์นรกตัวนี้ไม่เคยมีเมื่อตั้งแต่จมไปด้วยกันจงกันมีกี่จับอีกแต่เผาอยู่ที่จับอยู ก, กันก็เป็นชัตว์นรกประเภทที่แผลงฤทธิ์แต่ก่อนนั่นแหละพอลงไปถึงนรกแล้วไม่ไม่เห็นมีฤีธิ์มีเดชจมไปเหมือนนักโทษในเรือนจําที่มันแผลงฤทธิ์อยู่นอกเรือนจําแต่ก่อนพอถูกเขาจับได้เท่านั้นแหละ อ, อยู่ในเรือนจําแล้วไปยังไง อันทั้งหลายเคยเห็นไหมนักโทษแข่งรีดจนเช่นยกตัวอย่างย่อว่าเช่นเมืองอุดอรนี่แตกหมดเมืองอุดอรที่อยู่นอกเรือนจําแตกหมดนักโทษตัวนั้นมาแผงรีดฝ้าแตกหมดหมูหมาเป็ดไต่มันไล่ยําขนาดไม่มีอะไรเหลือเลยยาว่าแต่คนในเมืองอุดอรผ้าเดินเทนฉี่นี่มันไล่แตกกระ ก, ก็เจงไปหมด หมดเลยหมูหมาเป็ดไก่ในวัดในวามีเท่าไรมันกวาดต้อนหมดไล่แตกกระจายหมดมีตัวไหนพิจารณาสิพิจารณาให้ดีจ้ะแล้วนี่อมันมีอํานาจตรงนี้มีไหมเราไม่เคยเห็นนรกวัเดือนจําในเรือนในอุดรเราก็มีแล้วมีนักโทษคนไหนมันไปอาราวาสเมืองอุดรได้รับความเดือดร้อนจากนักโทษที่ไปโจมตีทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่มันติดคุกอยู่มันไปอาราวาสของคนนอกคุกเนี่ย เมืองอุดรเราเดือดร้อนมุ่นหวายเคยมีที่ไหนไม่เห็นเคยไม่เห็นมีเพราะอะไรเพราะมันหมดฤทธิ์เจ้าของนั่นแหละเวลาแรกที่เขาจับมาได้ก็บามีลทธิ์ทางสกัดนุภาพมากไม่มีใครสู้แต่พอเขาจับไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะอาภัพที่สุดก็คือนักโทษเหล่านี้แหละไม่มีใครนับถือสังคมก็ไม่ยอมรับม้าขี้เลือนเขายัางสงสารนะโยนเข้าให้กินนะ แต่นักโทษเขาไม่สงสารเขาไม่อยู่ใหนกิ่งเราไปเห็นหมูเห็นหมาเป็ดไก่ตามถนนทุทางเราเมตตาสงสารแต่เห็นนักโทษแล้วข ย, ยับขยังนี่มันเห็นแต่มีอย่างนั้นนะเวลามันติดคุกติดตลารางลงไปแล้วนี่เวลาเราลงในระลงแล้วใครจะไปเมตตาเราอือพิจารณาที่เราเป็นผู้สังหารเราเองไปเจา้าแม่ลอกให้มีคนไปเอาเข้าไปส่งเราอย่างนี้ไม่มีนักโทษนี้ยังมีอยู่บ้างนะ ยังมีข้าวไปส่งอะไรบ้างบางครัง้งบางคราวยังมีอันนี้ไม่ปฏิเสธแต่แดนนรกไม่เคยมีสันนรกตัวใดได้รับอาหารเป็นพิเศษจากญาติจากวงศ์ของตัวเองไปตกลงโลกแล้วยังไปได้รับอาหารการกินเหลือเฟือมากเกี่ยงขวดนรกทั้งหลายอีกแล้วมากยิ่งกว่าแดนมนุษย์ที่ว่าอาหารสมุนปุ่นผลนี่ยังสู้สัตว์นรกคนนั่นที่เขาอาศัายญาติวงศ์ของเขาไปส่งไม่ได้นะ คนนี้อาหารเขายิ่งเหลือเฟือฟุม่มฝฟาอยอาหารแดนสวรรค์ยังสู้ไม่ได้นะนั่งสู้แดนโรกมาได้พอที่จะชวนกันไปตกนรกอีกมีไหมในเมืองไทยแล้วนี่แดนชาวพูดราพิจารณาสินี่รับเป็นยังไงพู้ทเจ้าทงสอนไว้ริงขนาดไหนอย่างที่ว่านี่เราเคยเห็นมีไหมพวกสันนรกไปตกลงไปแล้วมีพวกญาติพววงทั้งหลายนี่เอาอาหารหวานขาวที่ ละเอียดละออมีจต่ของดีดีๆทั้งนั้นไปบำรุงบังเลสนะโรกจนพองตัวกลับย้อนมาตีามนุษย์ที่ไม่ต่อโลกให้แต่ก็กระจายไป ห, หมดสู้เขาไม่ได้นี่มีใหม่ไม่เคยเห็นใม่เลยแล้วเรายังจะกล้าหันทําความชั่วช้าระโมกโลงแดนโลกอีกเหมือนสัตว์ตัวนั้นอเหลือถ้าให้เป็นเหมือนสัตว์ตัวนั้นถ้ามีสองตัวแล้วหมดโลกอันนี้น่ะแต่ก็กระจายไป ห, หมดไม่มีใครเหลือแล้วนะให้จํานะ ฟังเสียงมาพุดถเจ้าเบิกกว้างไว้แล้วด้วยบาปด้วยบุญนรกสวรรค์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่พุญเจ้าทรงสอนไว้แล้วไม่มีอดไรเพื่อนจึงเรียกว่าสวารธรรมแต่ได้ชอบแล้วถ้าถ้าผิดพาดจะเรียกว่าตัดไว้ชอบได้อย่างไรไม่มีผิดพลาดก็คือองค์จตตดาทุกพระองค์เป็นแบบเดียวกันที่สร้างแต่ความหลอกลวงให้โลกทั้งหลายให้ผิดพลาดมีตะกิเดชทั้งนั้นเไม่ว่า ลูกเจ้าหลานเหลนปู่ย่าตายายท้องนี้มีแต่สกุลอย่างความต้นตุนหลอกลวงโลกให้ผิดพลาดผิดพลาดเกิดมาชาตินี้ก็ผิดพลาดแล้วนะผิดพลาดยังไงเกิดมาแล้วเขาสมบูรให้ทานก็ไม่ยอมทำคกับเขาเขาไปรักษาสิงก็ไม่ทําเจริญเพศตายภาวนาเพียงห้านาทีก็ไม่เสียงเสียงแล้งแอะแอแอเหมือนจุงหมาไขฝนมันไม่อยากภาวนามันขี้เกียดมันเห็นแต่อย่างนั้นนะพิจารณาที่พี่น้องอะไรนี่ล่ะ นี่แหละการพูดไปก็หลงลืมไปอย่างเนี้จําไม่ก็ได้นะอันจำเอานะอันไหนที่มันขาดกะขาดไปอันไหนที่หลงลืมไปหลงลืมไปจับอันใหม่มาต่อกันไปเรื่อยอยาประมาทนี่เวลานี้เป็นเวลาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นทางสามแพ่งสีแพ่งไปแดนไหนก็ได้เอาไปทางนรกเอาสร้างกรามมากๆเอาไปแดนสวรรค์ทาบุญให้ทานมากๆเนี่ยเราเป็นกิริยาณละผู้ชนก็ให้ทําความสงบอย็นใจหยาบคายกความขวา บรรดาญาติมิตรทั้งหลายเพื่อนสูงทั้งหลายให้ต่างคนต่างอยู่สงบเย็นใจก็เป็นคนดีคนดีไปทางไหนแยกไหนได้จากนั้นมนุษย์เราเปลี่ยนชั่วเป็นดีก็ได้เปลี่ยนดีเป็นชั่วก็ได้อยู่กับมนุษย์ที่นี่ใครได้เคยทําความชั่วช้าลามกมามากน้อยเพียงไรถ้ารู้ตัวแล้วให้รีบแก้ไขไม่แก้ไขเราจะผูกมัดตัวเราให้หนักยิ่งกว่า น, นี้แล้วจะใครไปตามส่งข้าวล่ะเหนือไปติดต่อญาติวงศ์วัจกนเหนือ กอนที่จะไปตกนรกนี่ไปบอกแม่อหนูพ่ออหนูส่งอาหารให้ฉันได้น ะ, ะฉันจะไปตกนรกลูกนั่นลูกนี่แล้วอาหารไปมากๆนะถ้ามีน้ําพริกแล้วก็มีอะไรจิ้มหวานเอาไปให้ฉันนะมันเคยมีที่ไหนล่ะนเ๋ยวจะมาอวดดีอยู่เหรือเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยตั้งแต่อยู่มนุษย์นี้ก็บางทีไม่มีน้ําพริกกินแม่อินูก็พ่ออินุทะเลาะ ก, กันยังมีแล้วจะไปว่าได้แดนนรกพิจารณาสิ แล้ยังจะไปหวังกินน้ำพริกแดนอากหวานหวานอยู่เหรือนั่งแต่อยู่ในครัวเรือนพ่ออยู่กับแม่หนูยังทะเลาะ ก, กันอมากินข้าวเฮี้นี่ไม่เห็นมีน้ำพริกว่ะ ก, ก็แกไม่ไปหานี่ละเนี่ยคนหนึ่งเถียงกันแล้วเพียงตอนนี้ก็ยังได้เสียงกันแล้วจะไปเมืองนรกไปยังไงเอาพระกนาพิณาจาจย์หลวงตานี้สงสารพี่น้องทั้งหลายนการเทศนาว่าการนี้สอนด้วยความเมตตา ล, นนล้วนเราไมไ่สงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้เลยว่าผิดไปอืม ผู้ทีเจ้าสอนผิดไปเราปฏิบัติรู้ผิดไปก็ไม่เคยปรากฏไม่แต่หมอบราบหมอบราบพิจารณาตรงไหนตรงไหนพอรู้ตรงไหนเห็นตรงไหนมีผู้ทีเจ้าสอนไปแล้วทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วจะไปอวดดีได้ยังไงก็ยอมรับยอมรับจกนกระทั่งถึงพุ่งถึงฉีดพุ่งถึงฉีดคืออะไรหายสงสัยทุกอย่างในสามเดนโลกฐานนี้บอกชัดๆโดยไม่ต้องมีใครมาบอกก็ได้นี่แหละฉันทิติโกประกาศขึ้นมาเองมาบอกว่า เราเกิดตายกองกันมา น, านมาี่กับโรกกับสงสารมากีกกับขีกกันแม้แต่ซากเราซากเดียวนี้เอาเมืองไทยมาวางไว้เอาซากเราคนเดียวนี้มาวางนี้ก็ไม่มีที่จะวางแล้วนั่นมันมากต่อมากเพราะมันเกิดมันตายมาเกิดได้พบได้ชาติใดไม่ให้เปื่อยให้เน่าเอามากองกันไว้กองเอาไว้สุดท้ายเมืองไทยแล้วไม่มีที่วางศพของเราคนเดียวนี่แหละ น, นี่เป็นยังไงแล้วสัสตว์โลกทั้งหลายเป็นไงเขาก็มีแบบเดียวกันแล้วจ็ไม่มีที่วางเอาเป็นไงก็ตาม ตายกองกันมานี้กี่กันบัดนี้ได้ประกาศจังวานขึ้นมาแล้วภายในจิตใจของเราหลังจากทิเลศ ส, สิ้นซาดลงไปแล้วทนนั่นนาฏธีดานี้ปุณพภาวบัดนี้ความเกิดดีของเราไม่มีแล้วนั่นอริมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพระพุทธเจ้าสอนไขท่านประกาศจังวานนะครับเบญจมบุตร ท, ทั้งห้าเบญจมบีตรทั้งห้าก็คือไขก็คือพวกสดับตับฟังเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนแล้วเราท่านท่านเองเมื่อฟังแล้วทำก็เข้า หัวใจเด็ดสนิทปฏิบัติตามบาตรตาธรร ม, ร ม, รมจะไปไหนทําให้เป็นธรรมต้องเป็นธรรมศาสนาสอนใครสอนโลกทั่วโลกเราก็เป็นลูกศิษย์ของศาสนาคนหนึ่งผู้อ่นที่จะรับส่วนแบ่งจากพระพุทธเจ้าไม่มากเราขอให้เป็นคนมีคุณงามความดีประจำตนอตายแล้วก็ไปสวรรค์ชั้นใดก็ยังดีนะเนือดีกว่าที่จะไปจมมในนรกนั้นเนี่ยอนี่เราได้สอนปีน้องต่างหลายเราไม่ได้สงสัยท่านประกาศวางป่างแล้วเรา ก็ยอมรับยอมรับตอนเวลามาปฏิบัติมันปรากฏขึ้นภานยในจิตใจตามปฏิปทาที่ทรงสอนไว้แล้วด้วยความชอบธรรมนั่นแหละเรียกว่าสอการธรรมเจอตรงไหนก็เจอไปตามสายทางที่สอนไว้แล้วด้วยความชอบธรรมนั่นแหละแล้วจะผิดไปไหนเมื่อเจอตามอย่างจังๆแล้วก็หมอบลาบหันขึ้นเลยว่านาถีดานีปุณาภโวนั่นขึ้นทันทีเลยบ้า น, นี้ความกระดิ่งขอเราจะไม่มีแล้วอืใครจะมาเราโอดอวดก็เราพูดตามหลักความจริงนี่ พระพุทธเจ้าสอนเพื่อรู้เท่าจริงอย่างนี้เนี่ยไม่ได้สอนเพื่องมงายนี่น ะ, อะสอนเพื่อรู้ให้เห็นอย่างนี้แล้วเมื่อปฏิบัติตามธรรมของเจ้าที่เรียกว่าสวดการทำแล้วก็ไปรู้ไปเห็นอย่างนี้แล้วจะไปค้านพระุทธเจ้าที่ตรงไหนหาที่ค้านไม่ได้เมื่อตัวของค้านตัวเองมาได้แล้วหาที่ค้านไม่ได้สารทิติโกรประกาศต้องขึ้นมาว่าราสุดท้ายทุกพระองค์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเป็นั้นว่าสิ้นเรื่องการเกิดการตาย ที่แบกขามกองทุกข์ทั้งหลายในภพชาติน้อยใหญ่มากี่กันฟาดลงขาดสะบั้นลงไปแล้วที่นี่ก็เหลือแต่บรมสุบบรมสูนคืออะไรนั่นมันก็อยู่ที่หัวใจที่มันเป็นบรมสุขไม่ได้ก็คือกิเลสนั่นแหละเหยียบย่ําทําลายตลอดเวลาเพราอกิเลศตัวสร้างทุกข์ให้สันโลกพังลงไปฉะนั้นบรมสุขไม่ต้องถามนั่นคือหลักธรรมชาติของธรรมที่บริสุทธิ์ฮิที่บริสุทธิ์แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่อยอยู่ที่ไหนไม่ต้องคํานึงอดีตอนาคตไม่มี อดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเท่านั้นนัี่และอนาคตเราจะประเกิดเป็นอะไรแบบทุกอะไรไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีปัจจุบนันอดีตอนาคตเป็นสมมูิทางนั้นธรรมชาตินั้นไม่ใช่ไม่ใช่สมมูิจะเข้ากันไม่ได้เลยนี่ละให้พระลูกขระหลานทั้งหลายฟังและการปฏิบัติธรรมงดยาธรรแล้วหล่อลยแหลแล้วบวชมาแล้วก็ตื่นบ้านตื่นเมืองตื่นโลกถึงนงสารไปในเะวลานี้ศาสนาของเรากําลังเลวไหลามากนะท่านทั้งหลายให้ฟัง นี่แหละเสียมากนะพระเนนบวชเข้ามาแล้วแทนที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานให้สมูลภูน ผ, ผลตามเพศของตนกราบไปสร้างแต่ความชั่วช้าละมกหลงโลกหลงสารใบมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะให้ผ้ากันตั้งหน้าต่งตางๆทำประกาศอยู่กับโลกมานานเท่าไหร่แล้วประกาศในหัวใจของเราให้มันกลางวานขึ้นด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นบ้างมันจะไม่เป็นมันเป็นของดีหรือเอามาถักนั่นบางที ขีดเด็ดตัณหาความโลภความโกรธความหลงโลกอันนี้มีเต็มไปด้วยขีเด็ดตัณหาเหล่านี้แหละใครเลิศใครเหลว เ, เอามาแข่งทำพุทธเจ้าบ้างสิไม่เห็นมีที่ไหนผู้ที่บริสุทธิ์นั้นประกาศป้างขึ้นมาตั้งแต่วลาระแรกพุทธเจ้าตัดสิส้แล้วนั่นแหละนั่นแหละผู้ผู้ที่บรมมาสุขแท้คือผู้นั้นเองสาวกทั้งหลายก็คือผู้นั้นเองผู้บริสุทธิ์พากันตั้งออกตั้งใจกับเมาปฏิบัตินะแล้วอยู่เฉยๆวันหนึ่งวันอย่างไม่ได้นะักตื่นโลกถึงสารเวลานีเรื่อง ของโลกของสารมันคือพคลานกันมาก็เรื่องของกิเลสนั่นแหละมันจะมาทุกแบบทุกฉบับนั่นแหละให้พากันระมัดระวังให้มากนะเห็นอะไรมาข้อมาข้อมาเหมือนหลิงมาไหนนะเราไม่ใช่ลิงเราเป็นพระเป็นเดชให้ดูแพทย์ของตัวเองอะไรควรแก่แก่แก่พระแก่แดงควรแก่เราเราเป็นพระหรือไม่ควรให้พี่นาทุกจริงทุกอย่างอย่าทําสับสนปนเปเห็นเขาทำอะไรก็อยากสะดวกสบายทำเป็นแบบเขา มันก็เลยเรวกว่าเขาเพราะเราเป็นพระไปทําแบบคารวะเร็วกว่าคารวะแลาว้วสินั่นแหละท่างันจําเทศไปเทศมาก็รู้จิตเนียหน่อยไม่ละพวกประชาชนญาติโยมหลไรก็ให้ฟังกันตามนี้นะวันนี้ท่านเทศสอนพระอุดมพระไอ้เราก็ปีิ่งเป็นพ่อเป็นแม่ของพระไม่ฟังเอาไปฆ่าซะหมดพวกอยู่ในศาลาวัดป่าบรรตาศมีแต่พ่อแม่ของพระทั้งนั้นลูกฟังพ่อแม่ไม่ฟังเอาไปฆ่าทิ้งซะให้หมดมันหนักศาลาหลังนี้ ถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากให้หนักสลาวนี้ให้พากันสนใจพูดปฏิบัตินะเอาละการแสดงธรรมให้สมควรขอความสบัสดีตรงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายด้วยทั่วกันเทินเหนื่อย